วันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำเดือนหนึ่งตรงกับวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2552้าห้าสิบสองเป็นวันพระใหญ่เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเมื่อเช้าก็ได้ทำกิจกรรม แล้วก็หลวงพ่อได้กล่าวสัมโมทิยกถาให้แก่พวกเราได้ศึกษาแล้วก็เมื่อตอนเย็นวันนี้ก็พระสงฆ์ได้ลงอุโบสถสวดพระปฏิโมกข์หลวงพ่อก็ได้กล่าวเรื่องการเป็นอยู่ของพระสงฆ์เรื่องศีลและวินยัยพระสงฆ์จะต้องศึกษา แต่ตอนเย็นนี้พวกเราได้ร่วมกันทั้งฝ่ายพระและฝ่ายครวดัดหลายท่านมาร่วมกันไหว้พระทําวัดสวดมนต์เย็นเมื่อสวดมนต์เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทธทนยกถาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอีกเพราะ ธรรมะรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายเรี่ยเลี่ยมมีหลายแง่มุมเยาว่าพระธรรมแปดหมื่นสีพันพระธรรมมขันจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นหลายที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาจะต้องได้เรียนรู้ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ หรือพระสงฆ์ท่านก็นำทาคำสอนสั่งสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ศึกษาบางองค์ก็ได้เอามุมหนึ่งแง่มุมหนึ่งบางคนบางท่านก็เรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องความพร้อมเพียงสมัครคีเรื่องดูแลปฏิบัติมารดาบิดาเรื่องอบายย ม, มุก เ, ออเรื่องการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ชาติหมมกของมนุษย์โลกจะเป็นอยู่ด้วยกันอย่างไรนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือหลักใหญ่ถ้าให้ปีกจ้อยลงไปคนนั้นอีกยังมีเยอะมากกว่านั้นอีกเพราะนั้นสุดแทะตระองค์ไหนจะนํำทำในมุมไหนหรือในเลื่ยเหลี่ยมไหนจะมากล่าวมาแนะนําสั่งสอน ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพื่อเป็นการารุ่นเริงรวบาเป็นการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันการบอกกล่าวก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นเจ้าศ า, ศาสดาเป็นเจ้าพระพุทธศาสนาไม่ใช่เราได้นำยกมือไหว้เจ้าก่อนแล้วก็ น, นำทำคาสองสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนำให้แก่ซึ่งกันและกันฟัง สรุปแล้วก็คือพี่ได้สองน้องได้หนึ่งแต่ผู้ที่ฟังนั้นอาจจะมีความรู้ความฉลาดแตกฉานกว่าผู้แสดงก็ยังมีแต่ก็เมื่อองค์ใดแสดงขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต้องฟังฟังแนวความคิดของท่านองค์นี้ที่ท่านแสดงไปนั้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบางเพอ ร, พร์บางท่านอย่างวัดภูมิไปอีกต่างหากแต่ตามไม่จริงมันก็ไม่ถูกหรอกวัดภูมิกัน คำว่าภูมิคำนี้ก็คือทุกคนก็ต้องมีความสามารถในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเผยแผ่ออกมาบอกกล่าวกันถึงยังไงก็คงจะไม่ถูกทุกคำพูดแต่ถึงยังไงก็คงจะไม่ผิดทุกคำทุกคำพูดเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นพระสงฆ์โรืว่พุทธศาสนิกชนถึงจะพูดยังไงเหมือนกับ เราเอาเราเอาหลังพิงฝาพูดอย่างนั้นอ่ะอคือพิงหน้าผาพูดอย่างนั้นอ่ะเราเอาหลังพิงหน้าผาคือภูผาคือเราภูผาก็คืออะไรคือคือพระธรรมคำสอสนของพระพุทธเจ้าแต่ที่นี่เรายืนพิงหน้าผาจากนั้นเราก็บรรยายเรื่องหน้าผาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายที่ยืนอยู่ต่อหน้าเนี่ย เออหน้าผามีคุณค่าจางนั้นน่ยมีประโยชน์จังนั้นนี่อย่างนี้นะเออแล้วก็มีโทษโทษอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าตัดโทษอย่างนี้นะตัดคุณตัดคุณอย่างนี้นะแสดงคุณอย่างนี้นะแสดงโทษอย่างนี้นะอันให้ก็คือผู้ที่กล่าวแนะนําให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือบางคนก็บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเอาคําตายมาคูดกันเอาเรื่องของกล้ม ดีกคำชั่วเรื่องนรกสวรรค์มาคูกันฮอย่างนั้นหลวงพ่อว่าการคิดอย่างนั้นคือเป็นการความคิดเข้าใจผิดน่าจะพูดว่าเอาเรื่องของจริงเอาพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไปแล้วได้บอดบอกไว้แล้วได้กล่าวไว้แล้วในพระธรรมคําสอนเอามาขายายผลเอามาเผยแผ่เอามา ขัดเกลาออกมาชารล้างเอออมาเขย่ามาล้างให้ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอีก่ะเออให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอยูบอย่บ่อยๆพวกเราอาจจะลุ่มหลงมัวเมากับโลกวัตะสงสารจะไม่ละลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายของตอนเองจะล่มล่มหลงมัวเมาในการเป็นอยู่ของตอนเองมากจนเกินไปถามว่าพวกเรามีคนหนึ่งสะ ก, กิดขึ้นมาเอย ชีวิตของเราเนี่ยตายแน่นะเว้ยพวกเราทั้งหลายอย่าไปชา้าจะเป็นนอนใจเกินไปนะอันนี้ก็ไม่เป็นมันก็เป็นผลดีสําหรับพวกเราได้ยินได้ศึกษาถ้าเป็นถ้าเป็นปาดนะถ้าเป็นปลาฏพวกเราก็เออใช่ อ, อมีผู้เตือนให้ฟังนี่ก็พวกเราจะไม่นอนใจโจเกินไปอันนี้คือเป็นปาฏถ้าเป็นภาลชนแล้วก็ พอได้ยินคือมาเลยคว้างหูวเลยสินี่มันทําไมเอาเรื่องความตายมาขู่กันวะทำไมเอาเรื่องความตายมาพูด อ, อ, อย่างนี้วะกําลังสนุกสนานกันอยู่นะสิ่งเหล่านี้เราจะมองถ้าจะล๊อถ้าเรามองเราก็มองได้สองสองอย่างเหมือนกันแต่ถ้ามองแบบปาดอย่างที่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดวะ่ะมองฟองแบบปราดก็ต้องบอกออเออสิ่งไหนที่มันไม่ดี สิ่งไหนที่มันจะเป็นพิษภัยสิ่งไหนที่เป็นจะจะเป็นอันตรายกับพวกพุทธศาสนิกชนที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพวกเรากควรจะนำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาประกาศมาเผยแผ่มาชี้แนะชี้นำใพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ มันไม่มีเวลมเวลาไม่มีเดือนวันคืนเดือนปีที่จะกาหนดให้เราว่าท่านจะต้องจากไปวันที่ตนนั้นเดือนนั้นปีนั้นปีนี้ไม่มีในไม่มีใครใค ร, รู้ลวงหน้าน้อยมากที่จะรู้ลวงหน้าแต่ถึงยังไงทุกคนต้องมีจุดจบพูดอย่างนั้นได้ต้องมีจุดจบคือถึง อีกสักวันหนึ่งต้องตายด้วยกันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้พูดได้ท่านจึงพูดเป็นคําให้ได้คิดว่าคนโบราณก็ทําเขาพูดให้เป็นคําที่ได้คิดว่าคุณจะต้องตายในวันท่วนเจ็ดในเจ็ดวันข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนคำว่าเจ็ดวันข้างหน้าคนโบราณเขาก็ให้คําหมายว่าจันอังคารพุุธ พลรหัสสุกเสาเทศดนะเทศ จ, จันอังคารพุทธพลรหัสสุกเสาเนคุณจะตายอยู่ในวันทั้งเจ็ดทั้งเจ็ดวันนี่แหละไม่ต้องไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งภายในเจ็ดวันนี่แหล ะ, ะคุณจะไม่เกินไม่ไม่ตายนอกเกินเกินนอ ก, นอกจากเจ็ดวันนี้อันนี้คล้ายๆก็เป็นการบอกกล่าวอีกเหมือนกันบอกว่าชีวิตของเราเนี่ย ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งในเจ็ดวันนี้แหละนต่อไปภายภาคหน้าแต่ไม่รู้จะเป็นวันไหนเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนาะสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งไหนที่พวกเราจะรุ่มหลงมัวเมาเราก็อย่าไปรุ่มหลงหลงมัวเมาจนเกินไปจนไม่คิดว่าชีวิตของเราจะต้องล้มหายตายจาก มีแต่คิดจะเอารัดเอาเปรียบมีแต่คุดคิดจะคุดจะโกงมีแต่คิดจะดุด่าว่าเก่ามีแต่จะคิดแต่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาเออมีแต่คิดแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮามีแต่คิดแต่คิดที่จะอยู่ในโลกไม่คิดว่าตัวเองจะตายสักทีน่ถ้าเราคิดอยู่อย่างนั้นใจของเราจะกับกระเพื่อมจัดหวั่นไหวไปในทางเสียหายชั่วช้าลามกเพราะมันไม่คิดถึงมรณะภัย คว่าตัวเองจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายมันก็เลยมีแต่ความวันโลภโลภโลภโลภไปคำว่าจะโกรธให้ก็โกรธโกรธโกรธไปจะว่ารักก็รั ก, กรั ก, กรักไปงั้นแหะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าว่ามีตัวนี้เป็นเบล็กนะ อ, อย่าทำกล้ำไว้นะถ้าทำกล้ำไม่ดีเอาไว้นะ อ, อีกสักวันหนึ่งเมื่อตายไปแล้วกล้ำที่ไม่ดีนะนะจะตามสนองจะอยู่กับ ติดจิตติดใจของคุณแล้วก็ไปเกิดป็โลกภายภาคหน้าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพิสูจน์แล้วท่านได้นั่งภาวนาแล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนําสั่งสอนให้พวกเราได้รู้อยู่แล้วแต่พวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพวกเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้น เหมือนพระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอจารย์บอกไฟนะไฟนะร้อนนะไฟนะพวกเราก็ไม่ได้จับและไม่แต่ต้องไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเอพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้พิสูจน์นะถ้าเมื่อเราพิสูจน์แล้วเราจะยอมรับว่าธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของจริงพิสูจน์ได้แต่ถ้าเราไม่พิสูจน์ก็เราก็รู้ไม่ได้ นี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ก็คือเรานั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งทําจิตใจให้นิ่งในเมื่อจิตใจของเรานิ่งจิตใจของเราสงบจิตใจของเราไม่ปุ่งไม่พุ้งไม่ซ่านอารมณ์ของเราเป็นหนึ่งกายกับใจเนี่ยมันคนและเรื่องกันเหมือนกับ น, น้ํากับ น, น้ํามันอย่างนั้นถึงจะเทลงไปน้ํากับ น, น้ํามันมันก็เข้ากันไม่ได้ น้ำมันมันมันอยู่เหนือดําน้ำมันมันอยู่ใต้น้ำมันก็เป็นก้อนอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นได้นี้ก็เหมือนกันถ้าจิตใจของเราสงบแล้วกายกับใจนั้นเราจะเห็นได้อย่างนั้นชัดเจนอย่างนั้นน้ำเหมือนกับน้ำกับน้ำมันอย่างนั้นอาศัยกันอยู่กายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กายถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่นี้ร่างกายนะั้นเอที่เป็นน้นะําน่ยมันจะต้องแตกไหลซึมซับเข้าไปในแผ่นดินตอส่วนน้ํามันนั้นเอมันจะต้องออกไปอีกในแนวหนึ่งมันจะเข้ากันไม่ได้กับน้ําตัวนั้นนี่ก็เนื่และคือกายกับใจแต่ว่าหลักของพุทธศาสนาหรือทำความสองสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมะเมื่อเราทํากลัมอันไหนทํากลัมไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดี มันก็ามาเข้ามาเกาะอยู่ที่น้ํามันตอนนั้นแหละทําไหนสิ่งไหนที่เราทําดีสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลเข้ามาเกาะอยู่ใน จ, ใจิตใจดวงนั้นอีกเหมือนกันสรุปแล้วใจดวงนั้นเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปรับทั้งบุญรับทั้งบาปอยู่ในใจแต่ถ้าว่าเราทํากรรมหนักหรือว่าทำกรรมเป็นบาปนะเมื่อเราตายไปแล้ว หรือเรายังมีชีวิตยอยู่ก็เถอะนะถ้าเราทำกรรมไม่ดีเราทำกรรมชั่วไปฆ่าขู่ฆ่าคนไปรักไปป่นไปขโมยไปขายยาบ่งยามาคัญชา ย, ยาฟิน่นทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละกรรมชั่วแต่นั้นเข้ามาละ เ, เข้ามาหาเราละเราจะอยู่ลำบากละ เ, เราอยู่ไม่ผ้าสุกละลบลบซ่อนๆ่อนเพราะการกระทาของเราเนี่ยมันไม่ถูกทำไม่ถูกแล้ว ทำผิดแล้วแต่ถ้าเรามีแต่สังสมคุณงามความดีเป็นลผลละเมืองดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีศีลห้าอยู่ในจิตในใจยึดแนวแถวทำคำสอนของพระพุทธเจา้าเราปฏิบัติบิดามารดาเชื่อฟังตรดกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้อันนั้นคือคือคนสร้างบุญสร้างกุศลไปอยู่ณสถานที่ใดจะไม่มีเรื่องมีเรา อยู่เรื่องความร่มเย็นเป็นสุขทั้งหลับและตื่นอยู่ในชุมชนไหนกลุ่มไหนก็สบาย อ, อกสบายใจเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วเสียหายอันนั้นแหะคือคนทำบุญคนทำบุญและเป็นคร้งบุญของเราใจของเรากายของเราก็อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้ก็อย่างที่ว่าดนะ ใ, ใจของเราก็เดือดร้อนคิดอยู่จางนั้นแ่ะ เอาอยัางไงจะเอาตัวรอดได้จะหลบไปที่ไหนจะหลบซ่อนที่ไหนอจึงจะหนีห ล, หลีกลีหนีกฎหมายเขาไปได้ฮะอย่างนี้แหละมันหนีไม่พน้นหนีกลำ่ำไม่เจอวันหนึ่งมันก็ต้องเจอวันหนึ่งฮะลนั้นพระพุทธเจ้าท่านอบอกแล้วว่ากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าฮะอย่างที่หลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นอทําให้ตัวเองเดือดร้อน มีทุกข์ใจเมื่อภายหลังเหมือ น, นเรากินอัรพิษเข้าไปในท้องเรานะั้นเมื่อเรากินใหม่ๆอัสรพิษมันยังไม่ให้ผลเราก็คุยโม่ได้เห็นไหมละ่ะฆ่าหินทำความชั่วคดโกงบ้านเมืองฆ่าคู่คนทำความชั่วเสียหายมีตะรวยขึ้นรวยขึ้นสู้เจ้ามันโง่เง่าเตาตุน อมันไม่รวยเหมือนกนเราเห็นไหมชาวเราทําแล้วมันมีแต่รวยฮะถึงยังไม่พูดออกปากกับพูดในใจฮะเพราะเหตุไรเพราะว่ายาพิษนั้นยังไม่ให้ผลฮะมันคุยได้อะพอกินยาพิษเข้าไปแล้วทําความชัว่วมมื่อกินยาพิษนะมันยังไม่ให้ผลก็คุยโม้ได้ว่างอ่ะเอแต่ทีนี้เมื่อยาพิษนั้นออกฤทธิ์เ่ย เอยื่อยาพิษให้ผลทีนนะี่กระบวนการวายกระเสือกกรสนหาคนนั่นอยากจะให้คนนั้นช่วยอยากหาคนหมออยากให้หมอล้างท้องให้ใหเป็นทุกข์เป็นร้อนอกระเสือกกระสนบุ่นวายไปหมดปงสาขนาญาติก็เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเพราะกรรมชั่วของตนเองเพราะตัวเองไปกินยาพิษมาฮนี่ก็เหมือนกันนะ่ะเมื่อความชั่วเนี่ยเมื่อเราทําไปแล้ว กรรมชั่วยังไม่ให้ผลผาลชนก็ยังขุยโม้ได้แต่เมื่อกรรมชั่วให้ผลแล้วภาญละชนนั้นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนจะหาความสุขทางกายทางใจไม่ได้นี่ละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านการทำความดีพระพุทธศาสนาเนี่ยยกย่องระหว่าเป็นปราดิท่าว่าใครใครรู้หรือใครไม่รู้ก็ต่าง ตัวเองรู้ว่าอันนี้ทำผิดอันนี้ทำถูกถ้าเราทำถูกแล้วอยู่ที่ไหนพรมเย็นเป็นสุขเหมือนกับเราจับน้ำแข็งจับในที่มืดจับในที่แจกจับในดินฟ้าอากาศจับในที่สาธารณะชนก็คือน้ำแข็งมันเย็นแต่ถ้าจับไฟก็เหมือนกันนะจับที่ไหนก็ไม่ดีทางนัดเพราะอะไ้เพราะมันเป็นไฟมันร้อนนี่ก็เหมือนกันความชั่วเปรียบเหมือนความร้อน คุณงามความดีเปื้อนเปรียบเหมือนน้าแข็งนั่นแหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะทีนี้มาย้อนถึงทางด้านจิตใจที่นี่ทางด้านจิตใจของพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แต่ถึงยังไงพวกเราก็สํารวมกายวาจาใจของเราพอสมควรแล้วล่ะแต่ทีนี้มันยังมีอีกอสํารวมใจของเราเนะี่ะตัวใจนี่แหละสำคัญมากในภาคปฏิบัติที่พวกเรามา ปฏิบัติอยู่ในป่าดงผพงไผ่อย่างนี้ในที่สงบสงัดอย่างนี้ ا, มาทานอาหารเมื่อเดียวอย่างนี้อยู่ในเสนาองค์เดียวอย่างนี้เสี่ยง ا, ความกลัวก็กลัวแต่ว่าเราก็พยายามอดทน ا, ส, สู้ทุกลูบแบบมาอยู่ในป่าดงผงไผ่อย่างนี้การเป็นอยู่ก็แปกแตกต่างจากครวรัตการเป็นอยู่ทุกอย่าง ส, สนุกสนานเพลิดเพลินการอยู่ก า, ยการกินการหลับการนอน การได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงเราตัดหมดทุกอย่างเรามาอยู่อย่างนี้มาอยู่อย่างพระมาอยู่อย่างพระกรรมฐานอีกต่างหากไม่มีอะไรมีแต่แนวความคิดกับหลวงพ่อกูดใู้ฟทงฟังให้เห็นตามความเป็นจริงนะพวกเราท่านทั้งหลายนะเกิดแก่เจ็บตายนะถ้าได้ยินได้ฟังท่าว่าพวกเราไม่ได้คิด เ, เหมือนเราถ้าเราจิตใจ ย, ยังเป็นโลกโลกอยู่ จิตใจของเรายัางเป็นโรคอยู่ชอบสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอยู่ถ้าได้ยินคำหลวงพ่อพูดนี่เหมือนกับอะไรเหมือนกับของขมหรือว่าของสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่พวกเราได้ยินแต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจของเราเป็นธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อพูดเนี่ยพวกเราก็นั่งทำใจให้เป็นกลางๆกำหนดดูจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ ที่พวกเราเข้ามาเนอยู่ในวัดตรงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดคำนี้ให้จึกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานจริงไหมหถ้าพวกเราพิจารณาด้วยใจจริงและทําใจให้เป็นกลางพวกเราจะรู้ได้เพราะธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเอาคําจริงและเอาความจริงมาพูดเอามาแนะนําสั่งสอนกันท่านไม่ได้ต้มตุนหลอกลวงโกหกผู้ใ ด, ดใครผู้หนึ่งทั้งนะั้นตายนะ กนะถ้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะผิดนะไปฆ่าคนอื่นเขาเนี่ยเขามาฆ่าเราเป็นยังไงไปขโมยคนอื่นเขาเขามาขโมยของเราเป็นยังไงเออย่างนี้ศีลของพระพุทธเจ้าเพียงแค่นั้นพวกเราก็รู้แล้วแล้วรู้ได้แล้วว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอันนั้นเรื่องศีลเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องวินัย จากนั้นท่านก็เน้นนักเรื่องแนวความคิดอีกต่างหากคิดยังไงเป็นจรงจะถูกต้องคิดยังไงมันออกนอกรูนอกทางทถนี่เออเราคิดยังไงไงจึงจะถูกต้องคิดยังไงจึงจะเป็นธรรมในหลักของพุทธศาสนาพราะพระพุทธเจ้าท่านพาคิดยังไงเรายกบ่หลง ม, มัคครูเลยเถนี่ยเอยถ้ายกคนอื่นเน่ยเราอาจจะใช่คนนั้นเป็นอย่างนี้ใช่คนนี้นเป็นอย่างนั้นฮะให้พวกเรายกบ่หล ม, มครู คือยกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นยังไงความรู้ยังไงท่านจึงได้ออกบวชท่านจึงได้ประกาศพศาสนาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในประกาศพระธรรมคําสอนออกมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าคิดอย่างไร น, นี่แหละต้องคิดไปหาต้นต่อท่นี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ท่านครองราชถึง29ปีท่านมีหมดทุกอย่างมีพ่อมีแม่พีถึงจะพระมารดาของท่านถึงเจ็สวรรคตนตั้งแต่ท่านท่านเกิดมาได้เจดวันแต่ถึงท่านยังไงท่านก็ยังมีพระยังมีพระแม่เลี้ยงคือนางโคตมีดูแลพระ อ, องค์ท่านเหมือนกับแม่รักพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าลูกของตอนเองอีกต่างหากเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญ ในอดีตชาติถึงยังไงนางโคตมีก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเป็นพระแม่เลี้ยงของท่านมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะนั้นความติดพบติดชาติของนางพระนางโคตมีกับพระพุทธเจ้าท่านรักเมตตาพระ อ, องค์สมัยเป็นเด็กหนุ่มยังเป็นังเป็นกุ ม, มารอยู่รัก อย่างสุดๆถึงจะเป็นลูกพี่สาวก็เถอะนะจากนั้นท่านก็ได้เป็นแม่เลี้ยงแต่นางโคตมีก็ได้เป็นเป็ น, ปนอัครมเหสีที่พี่สาวได้ล่วงรับดับขันไปแล้วนางโคตมีก็ได้เป็นอัครมเหสีแทนแล้วก็ดูแลสิทธั์ถะคือผู้ได้เจ้าของพวกเราเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดจากนั้นมาท่านก็เป็น เด็กเป็นหนุ่มขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะพระพุทธศาสนาดว้วสิทธถะไม่ใช่เทวบุตรเทวดาอินพรหมไม่ใช่เป็นบุคคลลึกลับองั้นเด็เป็นลูกของพระมหากระสัตรพระบิดาคือพระเจ้าสุโทธทนะพระมารดาคือนางสิริมหามายาแต่ผู้ที่ดูแลจากแทนจากนาง ส, สิริมหามายาก็คือนางโคตมีเป็นผู้ดูแลจากนั่นก็ พระ อ, องค์ก็เจริญไหวเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายได้รับการศึกษาจากนั้นก็ได้เข้าสู่มงคลสมรสตามการสมัยเมื่อมีอายุพอที่จะเข้าสู่มงคลสมรสได้กับนางพิมพายโสทลาจากนั้นก็ได้ประสูตริพระราหุล น, นี่แหละโลกสมรสหรือว่าโลก เป็นมาอย่างนี้เหมือนสรุปแล้วก็คือเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าความคิดนั่นะต่างแตกต่างจากพวกเราทั้งหลายแพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยถึงที่ได้ได้ยินทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ยังทวนกระแสยัง อ, อ่อแแงอแ ง, งอยู่อย่างนั้นเถอะแหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคิดได้อย่างไรอันนี้มันน่าศึกษานะท่านคิดได้อย่างไรแ สรุปแล้วก็คือท่านมีบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมมาแล้วอดีตแต่ชาติมากมายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพร้อมที่จะหได้ตัดจรู้ธรรมพร้อมที่จะได้จําเร็จเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในชาตินี้เพราะฉะนั้น ความคิดการกระทำการพูดของพระองค์ไปในไปแนวแถวที่เห็นโทษในโลก เ, เกิดความเบื่อหน่ายคลายแต่ไม่รู้จะทำยังไงพราะพร ะ, พระองค์ก็ได้ศึกษาดูว่ า, าปู่ย่าตายายไปไหนหมดคนเกิดมาแล้วจะเป็นยังไงแก่เจ็บตาย เราเนี่ยจะเป็นอย่างเขาไหมดูแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าตัวเองจะรอดพ้นจากความแก่เจ็บตายไปได้นี่แหละนี่แหละพระพุทธสิทธะที่ท่านอยู่ในเวียงวังท่านจึงหาความสบายใจไม่ได้เพราะมรณะภัยเงื่งะที่จะบีบคออยู่นะพูดง่ายๆนะพร้อมที่พวกราพร้อมที่จะ มารณะภาพพร้อมที่จะตายได้ทุกเวลาเวลาจะหาความไว้ใจหรือหาความเย็นใจหรือหาความสุขได้อย่างไรเมื่อพยามัจจุราชเงื้อดาบที่จะตัดคอเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีช่องว่างเลยถ้าเผลอเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่ก็แปลว่าถึงจุดจบในเมื่อนั้นไม่ได้เลือกพอเท่าแกชะลา อายุเท่านั้นเท่านี้ก่อนจึงจากไปไม่มีอพร้อมที่จะหลุดออกจากการเป็นอยู่ทุกเวลาเวลานี่แหละพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเนี่ยท่านคิดดูไข่ ค, ควรทบทวนดูอดูวิธียังไงนั่งคิดยังไงนอนคิดยังไงเอจากนั้นท่านก็ไปเห็นคนแก่คนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตาย ท่านก็โอ้เอาอยัางไงจากนั้นท่านไปเห็นสมณะเอออันนี้เป็นทางออกแล้วนี่สมณะคือนักบวชถ้าว่าเราอยู่ในเวียงวังก็คงจะคิดไม่ได้เพราะไม่มีเวลาเวลาที่จะคิดหาทางออกแต่อย่างถ้าว่าอยู่อย่างสมณะองค์นี้นะ่ะนั่งอยู่โคลนต้นไม้ไม่มีสิ่งอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายไม่มีอะไรที่จะเออมารบ ก, กวน มาทำให้จิตใจปุงฟุ้งออกไปข้างนอกถ้าอยู่สัมมะอยู่อย่างส ม, มณะรูปนี้คงจะมีช่องมีทางมีหนทางที่จะแนวความคิดที่จะออกจากวัะสงสารเป็นแนวความคิดที่จะออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งความปรารถนาได้นี่แหละศิรษะท ธ, ธาท่านไปเห็นส ม, มณะคือนักบวชที่นั่งอยู่โคลนต้นไม้ท่านคิดอย่างนั้น แต่มันตรงกันข้ามกับพวกเรานะตรงกันข้ามกับพวกเราพวกเราเนี่เป็นสาวกะเป็นผู้ส ด, ดับพอเข้ามาบวชแล้วก็มานั่งอยู่ในที่สงบสงัดอยู่วัดว่าศาสนาอยู่ตามลำพังกับว้าเวา้วาว่างเงียบเงาเศร้าซึมคิดไปในในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมางั้นาดไหนพวกเราเนี่ย เพราะนั้นเราจึงไม่ได้ดเป็นพระพุทธเจา้ามันต่างกันจุดนี้แหละเงั้นเถอะจุดทางจุดที่ว่าแนวความคิดนี่แหละยพระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างไรแต่พวกเรามันคิดอีกไปอีกแบบหนึ่งไงเพราะนั้นพวกเราจึงขนาเ ด, ดเป็นสาวกก็ยังไม่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจา้าอีกต่างหากมันห่างไกลกว่านั้นอีกว่า ง, งั้นเถอะถ้าบอกพระพุทธเจา้าเป็นพระเจ้าเป็นดินอย่างนี้นพระสง์เน่ยคือมนุษย์พวกเราอาจจะเป็นหมาลักษณะอย่างนั้นละ่ะมันห่างกันถึงขนาดนั้นล่ะ แนวความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายให้พวกเราคิดคิดดูนะหลวงพ่ออันนี้เป็นความคิดของหลวงพ่อนะมันอันนี้ไม่ใช่ความคิดมาในพระไตรปิฎกว่างั้นเอเป็นความคิดของหลวงพ่อเองพอเพราะมันก็คิดอย่างนั้นจริงๆทำยังไงทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นช่องทางว่าเราจะต้อง ป, ปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เ, เราจะต้องหาทางออกให้ได้อย่าสมมณะเนี่ยที่นั่งคิดที่นั่ง ขัดสมาธิอยู่โคลนต้นไม้ตามลําพังเนี่ยนี่ละเออเป็นผู้นั่งกันกลองไตรตรองเหตุและผลเออที่จะหาทางผลทุกได้ เ, เพราะนั้นท่านจึงได้กลับเข้ามาเวียงวังจัดทึงหาโอกาสหาจังหวะหาเวลํเวลาเอาพอได้โอกาสได้เวลาท่านก็ขโมยหนีกลางคืนไปกับนายฉันนะเลยแน่เนี่แหละอพอออกไปก็อยู่ในป่าก็ไป บำเพ็ญแบบนักพจนักบุตรที่ท่านตั้งใจเอาไว้จากนั้นท่านก็นไปภานาทดลองลองผิดลองถูกรองถูกลองผิดอยู่ในป่าดงพงไผ่ถึง6ปีฮะหปีที่พระพุทธเจ้าได้ไปทดลองเหมือนกับไปทดลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแต่นี้พระพุทธเจ้าไปทดลองจิตศาสตร์จิตวิญญาณความเกิดแก่เจ็บตาย จะเอาอย่างไรจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏรสงสา ร, รจิตใจดวงนี้มาจากไหนมันมีอะไรที่เป็นเชื้อที่จะทำไมให้มาเกิดในวัฏสงสา ร, รนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วจะทำยังไงจึงจะไม่ให้มันเกิดอีกนะ่ะจะทำยังไงถ้าเราไม่เกิดแล้วมันจะตายมาได้อย่างไรทำยังไง ท, ที่มันที่มันไปเกิดเพราะอะไร พระองค์ก็ได้พิจารณารู้ได้เห็นได้ที่โคลนต้นโพวันเดือนหกเพนนะวันนั้นเป็นวันสําเร็จอ่เป็นถ้าว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ประสบความสําเร็จสูตรสําเร็จอ่ประสบความสําเร็จในการประพฤติปฏิบัติในการทดสอบทดลองในการพิสูจน์ในวันเดือนหกเพนนั้น ทีนี้เราจุดนี้แหละพวกเราควรจะศึกษาควรจะไต่ตรองด้วยด้วยเหตุและผละะะว่าพระพุทธเจ้าคืนที่ท่านจะได้สำเร็จนั้นน่ะท่านทำอย่างไรก่อนที่ท่านได้สำเร็จท่านก็พูดให้ฟังให้ชัดเจนท่านก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอันนี้ผมพูดมามากต่อมากให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่บางทีก็พูดละเอียดแต่บางทีก็พูดพผ่านๆไป แต่ถึงยังไงคือจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราควรจะศึกษาเชื่อหรือไม่เชื่อในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องทดสอบต้องนั่งภาวนาต้องทำจิตใจให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าจุดนี้นะทำอย่างนี้นะกาหนดลมอย่างนี้นะหายใจเข้าออกอย่างนี้นะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะ ให้จิตสงบนะอย่างนี้นะผลที่สุดท่านก็ได้ตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนนนั้นจากนั้นเมื่อไ่ได้สําเร็จแล้วนะปลูกเพนิวาสานุสติยานตูตูตปปาตยานอาสาเไว้อาสาภะกยายานนะเมื่อท่านได้สาเร็จแล้วท่านก็ได้นํำทำคําสั่งสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอย่างพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามนี่แหละฉะนั้น การที่จะแนะนําสั่งสอนนั้นท่านเขคงจะไม่พูดแบบง่ายๆด้วพูดแบบ เ, เทคน้อยหรือว่าพูดพูดน้อยเพราะว่ากิเลส ข, ของคนมันมีเล่ห์เหลี่ยมมากมายมหาศาท์ท่านจึงได้ถ้าคนทําอย่างนั้นมันผิดนะทำอย่างนั้นมันถูกนะจึงนั้นควรจะยกย่องช น, น, นะเชิญนะถ้าทำอย่างนั้นควรจะประนามนะ อันนั้นไม่ถูกต้องนะอันนี้คือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมืสี่พันพระธรรมมขันนั้นถ้าจะว่าไปแล้วกุศลธรรมมาเรื่องที่เป็นกุศลอากุศลธรรมมาเรื่องที่เป็นบาปอากุศลอพยาคตาธรรมมาเรื่องเป็นกลางกลางไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญ อ, อันนี้ก็คือนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่สาม เรื่องบางสิ่งมางอย่างท่านบอกไปเป็นธรรมดากลางๆไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญแต่เบืองเรื่องเป็นบาปท่านก็บอกเป็นบาปนะจุดนี้แต่เรื่องเป็นบุญกุศลก็เอออันนี้เป็นเป็นบุญเป็นกุศลนะจุดนี่นี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาอีกเหมือนกันอันคาไหนที่ว่าเป็นบาปสิ่งไหนที่ว่าเป็นบุญสิ่งไหนที่ว่าเป็นกลางอภิญญาตาธรรม แต่สรุปแล้วคือออกไปจากใจของพวกเราทั้งหมดนั่นแหะถ้าพวกเราทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งดูที่ต้นตอของเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงแล้วนั่นแหละพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องหาที่ไหนเอออันนี้คือความชั่วนะอันนี้คือความดีนะอันที้จิตใจเป็นกลางๆนะงนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นหลักธรรมคาสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าธรรมะเป็นปัจจตัง ผู้ปฏิบัติยอมรู้ไร้ด้วยตนเองอขอให้ฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะมาบำเพ็ญภาวนาเรื่องกิจภาวนาในวัดของเราหรือว่าการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยเรื่องภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้านั่งสมาธิที่โคนต้นโพนขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงนำรงสติเฉพาะหน้า กำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยสติสัมปชัญญะให้มีสติสัมปชัญญะฟังดูทีเดียวให้มีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้รู้ตัวขณะที่นั่งอยู่ขณะ น, นี้ไม่ให้จิตใจเผลอไผลไปทางอื่นไม่ให้เผลอไผลไปในอดีตที่ผ่านมาไม่ให้เผลอไผลไปในอนาคตที่ยังไม่ถึงวันพุ่งนี่มาเลยให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ อบังคับให้อยู่ในขณะนี้เวลานี้นั่นแหละในเมื่อเราทําจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เมื่อจิตใจของเราสงบรวมลงเป็นหนึ่งฮะเราจะรู้ได้ใจของเราเนี่ยกับร่างกายน้ํากับน้ํามันอย่างที่ผมได้พูดน้ํากับน้ํามันจะเห็นได้ร่างกายกับใจนมันเป็นคนละอันกันรู้ได้โดยตนเอง ที่ร่างกายนั้นแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นนั่นแหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดเป็นเทวปุตเทวดาอินพรหมไปตกนรกหมกใหม่ไปเป็นเปรตเป็นไปเกิดเป็นสัตว์ที่รจชนันมากมายสรุปแล้วก็คือตัวนั้นแหละเป็นผู้รับบุญเป็นผู้รับบาปที่อยู่ในกายในกายของเราเนี่ยแหละข อ, อนั้นขอให้พวกเรา ได้ศึกษาและก็นามาประพุทธปฏิบัติจากนั้นก็เมื่อเราได้ศึกษาดูแล้วเราจะหาวิธีการช่องทางที่จะตัดกิเลสภายในของเราจะตัดด้วยอย่างไรที่จะไม่เมาเปลี่ยนไห้ตายเกิดในวัตตะสงสารพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้นะมักแปดนั่นแหละสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นสุดท้าย ที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะออันดับแรกเลยพื้นเนี่ยต้องทําจิตใจให้สงบซะก่อนเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วก็นํามาพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายของเราตั้งแต่หัวดจดเท้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างในร่างกายของเราที่เราบวชเข้ามาอุป ช, ชาก็สอนเกซาโลมานะฆ่าทันตาตะโจ เกสาผมโลม า, ลนาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังฮนสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเนอะอีกสักวันหนึ่งนะแก่เย็บแล้วก็ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟยังเหลือแต่กระดูกฮะทุกคนเป็นอย่างนั้นนะฮะเราเราเป็นอย่างนั้นไหมฮะเราก็ไม่แพ้คนอื่นเขาใช่ไหมฮะนี่แหละพราะพระพเจ้าท่านสอนสอนให้พวกเราท่านทั้งหลาย ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงพระธรรมะที่ผมได้พูดเบื้องต้นว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรอไม่ใช่โกหกไม่ใช่ต้มตุนไม่ใช่หลอกลวงกันอไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันไม่ใช่เอากล้ำคือการกระทามาขู่กันแอเอาความจริงมาพูดให้กันฟังมาตักเตือนกันพุทธบริษัทสีถ้าพวกเราไม่บอกกล่าวกันพวกเรา ไม่แนะนําไม่บอกกล่าวกันใครละ่ะจะมาบอกกล่าวกันจะว่าอวดภูมิกันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีใครมีภูมิอะไรหรอกใครจะพูดก็พูดขึ้นมาได้ทำอะพร้อมที่จะฟังถ้ามีโอกาสพร้อมที่จะพูดเอาพูดให้กันฟังได้เมื่อมีโอกาสเหมาะสมไม่ใช่ว่าพูดแบบบ้าหน้ําลายอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะมีการเทศะ สมควรที่จะให้พูดอย่างไปแสดงธรรมอย่างนี้ถึงจะเป็นพระภูน้อยก็เถอะกาวราระธานาในมณโองค์นั้นขึ้นประเทศแสดงธรรมองค์ที่มีอายุพรรษามากกว่าก็ต้องฟัง อ, องค์นี้ขึ้นไปแสดงเนี่ยพร้อมที่จะฟังได้เพราะำคำคําสอนนั้นไม่ใช่ขององค์นั้นเป็นพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วบอกไว้แล้วแปดพันสี่พันพระธรรมมาขัดสุดแท้แต่องค์ไหนจะนําจุดไหน ตรงไหนคําพูดไหนวักไหนตอนไหนเอามาแสดงมาชี้แจงให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาบางทีพวกเราอาจจะลืมไปแล้วจุดนั้นพอได้ฟังขึ้นมาก็เออเออผู้ฟังทมจ้องโดยฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทาความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟัง ก็จะได้รับความเยือเกเย็นจิตใจได้รับความผ่องใสเเพราะว่า เ, เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จิตใจก็จะปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นถึงจะโกรธโมโหโทโสโกธาให้แก่ใครก็ปล่อยวางลงได้ทึงจะรักใครก็ปล่อยวางลงได้จึงจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนก็ปล่อยวางลงได้เพราะเหตุไรเพราะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดเออ ถ้าพระเจ้าไม่ใช่จะอยู่ในโลกนี้ชั่วฟ้าดินสลายเออย่าหลงจนเกินไปนะใจนะให้รู้เท่ารู้ทันไว้ในใจนะถ้าเรามีทำอยู่ในจิตในใจ เ, เ, เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในจิตในใจแล้วนั่นแหละความพอดีและความปล่อยวางเอความไม่ยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจของเราใจของเราก็จะมีความ ร่มเย็นเป็นสุข อ, อยู่ลึกๆเพราะอหไร่พอเรารู้ด้วยปัญญาของเราแล้วจริงไหมที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนบอกกล่าวไวเ้เป็นความจริงแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ข อ, อยุติในการแสดงหลักการกล่าวส ม, มุทรนิยกถาจบไว้เพียงเท่านี้เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิที่นี่นะ